อันนี้ก็พูดได้พอสมควรไม่เหมือนแต่ก่อนนะแต่ก่อนโน้พูดถึ้นกระ ด, นดานี้ดีไม่ดีช็อกไปเลยจะว่าไงอันนี้มันยังพูดได้แต่คําว่าเหนื่อยมันมันก็เหนื่อยทั่วไปแล้วก็เข้าไปหาจุดนัน้นนิดหน่อยแล้วก็เลยรีบหยุดอยู่นานนี่เทียบกันเทียบมึงเ้าก็เราเวลาจะไม่ว่างหรือทัดกันแม่เมือมันมีผมมันงานมากประมาณนะ การรับแขลับคนที่าอ๋อจะรับตามเรื่องราวที่เข้ามาหานี่ยโว้ตายจริงๆนะสู้ไม่ไหวจึงต้องเนีรับบ้างไหมรับบ้างเพื่อเป็นการปรับผ่อนไปในตัวธาตุขันเหมือนธาตุขันทั่วไปมันปิดแปลกอะไรเมื่อมากไปมันมันก็แสดงทุกขึ้นมาเนี่ยมากกว่านั้นเขาบีบเป็นยังไงเนี่ยใครก็ทราบลวดลายของสติปัญญานี่ถ้าเรา ถ้าว่าเป็นด้านวัตถุเหมือนผู้เหมือนคนมาแสดงนี่จะไม่มีอะไรเหมือนลวดลายของสติปัญญาค่าวิเศษ น, นั่นเลยมนะไม่มีลวดลายใดในโลกนี้ถ้าจะเป็นของหน้าดูหน่าชมเป็นของอัศจรรย์เห็นแล้วอัศจรรย์นั่นแหะฟังเราสิถ้าหากว่าเป็นวัตถุเรานําออกมาจะให้แสดงเหมือนเขาแสดงลิเกละครจะไม่มีอะไรเหมือนสติปัญญาออกสนาม ค่ากิเลสปู่นงไงเนี่ยถึงขั้นขั้นค่ากิเลสเป็นอย่างนั้นนะเศรษฐปัญญาขั้นนี้ไม่มีอะไรเหมือนเลยแต่มันมันก็เป็นอยู่ในเจ้าของรู้หยิ่เมพะเจ้าของนั่นเจะเอามาวาดผ้าออกมาอย่างนี้มันก็วาดไม่ได้พรเจ้าออกมาสนามอย่างนี้ออกออกสนามก็ออกไม่ได้จ่ะเอาขึ้นเวทีก็ขึ้นไม่ได้มันก็เป็นแต่เพียงพูดให้ฟังเท่านั้นแต่เมื่อผู้ปฏิบัติเข้าไปแล้วยอมเองนะอ๋ออ๋ อ, อ, อทันทีเลย เมื่อเมื่อเข้าสัมผัสเข้าไปแล้วจะยอมรับยอมรับกันทีอ้อออเลยเจิเดมัเดเดนเป็นจริงจิงนี่ใครมาอุตตรีพูดเมื่อไหร่อย่างพระพุทธาณสอนว่าภาวนาไม่ปัญญาเพระองค์อุตตรีเมื่อไหร่ทรงรู้ทรงเห็นแล้วทรงดําเนินด้วยวิธีการนี้มาแล้วจนเป็นที่พอพระทัยแล้วจึงนามาสอนโลกผิดไปไหนอุตตรีที่ไหนนั่นผู้ปฏิบัติเท่านั้นเองที่จะพิสูจน์ได้ในธรรมเหล่านี้นะ ปฏิบัติที่เท่า น, นั้นแ่ะที่จะพิสูจน์ได้ถ้าไม่ปฏิบัติพิสูจน์ไม่ได้เพียงความจํำก็ธรรมดา น, นั่นแ่ะว่านิพานนิพานว่าจนปากฉี่ก็เป็นนิพานหนึ่งตั้งแต่ลมเท่านั้นแต่ตัวใจจริงที่เลสเต็มหัวใจมันเป็นนิพานได้ที่ไหนเอาภาพปฏิบัติตับเข้าไปสิปฏิเวทะไม่รู้แจ้งในหัวใจจะรู้แจ้งอะไรอันนั้ปฏิเวทะปริยัติปฏิบัติ ปฏิเวศหรือปฏิเวทะทำความรู้แจ้งแทงทะลุรู้ไปโดยมันหนักแจ้งไปโดยมันหนักแจ้งไปโดยมันหับจนกระทั่งถึงเวาลาสุดท้ายเหน่อยยังไม่หยุดหน่อยบะอันนี้ก็อากาศอบอ้าวเหมือนกันนะหน้าหน้าหน้าฝนตกเท่านันคือนีกก็หึมห่มเลยมาเอง มันตกาทางไหนมันก็ไม่รู้ไม่แปลกอยู่ที่ฟ้ามันร้องอยู่ตลอดนีทําไมหน้ากลางกลางฝนกลางปีในหน้าฝนนั้นทําดาวฟ้าไม่ค่อยร้องนักอ่ะเวลามันจะเลิกจะลาไปนั้นร้องเวลามันกาลังตกอย่นี้ในย่านมันกําลังตกงนีน้มันไม่ค่อยร้องแล้วฟ้าใหม่ฝน ใ, ใหม่หนึ่งแล้วจวนฟ้า ผลจะหมดหน่ะร้งองสองต้นกับปลายนี้ส่วนในกลางกลางผลกลางปีของหน้าฝนมันไม่ค่อยร้องต น, นี่สมัยมันก็ขุ่มก็ขุ่มมีตลอดมันเหมือนกับว่าฝนจะเลิกจะลาไอไรใครทำนองนั้นท่านเไปก็แย่แล้วเดี๋ยวนี้กูกําลังดํานาอยู่ก่ามีนแล้วไปทางอําเภอจุมแพไปนี่โห้โหเขากําลังดํานา พวกเราณวัดดีที่สุดไม่เหมือนที่ไหนเหมือนเลยนะที่เท่าที่ผ่านมานี่ี่เป็นข้าภาษาทางภาคอีสานก็แล้วข้ามันเป็นหนุ่ ม, มเป็นสาวไปหมดแล้วนี่มันจะตั้งท้องแล้วเนาะอันนั้นค่อนข้างกำลังดําถ้าไม่มีฝนไปถึงเดือนที่เดือนที่เอดเดือ น, อนตุลาแล้วนีก็น่ากลัวเหมือนกันถึงกล้าจะแตะก็ตามไม่ทันอยู่โดยดี คือกล้าดำนาโดยกล้ามันแก่แล้วนี่มันก็รีบของมันนะถ้ากล้าก็อ่อนดำนาก็ดำล่าไม่ทันถ้าฝนนีตกไปนานๆนก่อนไปทางเขื่อนจิลาภรณ์ก็โอ้ได้ชมป่าป่าเขายังมีอยู่มากเขาไปแกล้งลึก ต่อไปผ้าเราก็จะได้ป้าอาศัยอยู่อย่างนั้นเนี่ยป่าธรรมดาจะไม่มีเหลือแล้วพราะความห็นแกตัวความเห็นแกภูมิความโลภนี่ยมันทําลายโลกนะใครเขาจะกอกจะโกยเอา น, นี่เรื่องของความโลภมันไม่ไว้หน้าใครอยู่ด้วยกันแต่ทะเลาะกันเพราะความโลภทําลายกันเพราะความโลภอ๋อนี่มันอะไรอนี่อืม อ๋ออ๋ทอท้ออุ่นฮ่าฮ่อทอ้อยังนนเนาะไปทั้งเขื่อนจุลพภรณ์ก็โอ้ได้ชมป่าป่าเขาังมีอยู่มากเขาไปแสนแดึกๆต่อไปพ้าเราก็จะได้ป้าใสยอยู่อย่างนั้นเนาะป่าธรรมดาจะไมอมีเหลือ รความเห็นแก่ตัวความเห็นแก่พมงความโลภนี่มันทําลายโลกนะใครเขาจะกอกจะโกยออกเนี่ยเรื่องของความโลภมันไม่ไว้หน้าใครอยู่ด้วยกันกับทะเลาะกันเพราะความโลภทำลายกันเพราะความโลภทางมังการก็มีมีอยู่มาก ก, การก็เข้าไปลึกขึ้นหน้าอยู่สบาย ตรนที่เป็นป่าเป็นหวนก็พอมอีสำคัญที่ทางมีที่นี่เป็นโดมใหญ่แสนใหญ่นี้นะกว้างแสนกว้างนี่นะหมดเลยยริงๆยังไม่ทราบสำคัญยังเหลืออยู่เล็กน้อยที่ท่านอุทัยอยู่เท่า น, นั้นเองนะช้างก็มีอยู่ประมาณสักกี่ตัวนะมันก็อยู่อาศัยอยู่ข้างบนนะลงข้างล่างมาได้เพราะมันเป็นไร่เขาหมดเนี่ยเขาปลูก เพือปลูกมันปลกอะไรๆหมดเลยนั่นก็อยู่ข้างบนมั น, มนลงไม่ได้ก็กว้างพอประมาณแตนมันหยู่นก็ทอนนั้นอะ่ะพระก็ได้ไปอยู่ว่าทำบูชาทําอะไรทํำวัวนะทําอะไรหึงรู้เลยแต่ทําบูชาที่ึกซาลา ว่ายาวนี่ถึงนุ่นถึงข้อมันเกินเหตุเกินผลมันขัดกันกับสภาพเช่นนั้นการไปก่อไปสร้างในสถานที่เช่นนั้นมันขัดกันเช่นอย่างวัดดอยธรรมเจดีของมันเหนีกันทั้งท่านแบรน์เหมือนกันผมได้ว่าให้เหราวันนั้นแต่ั้นก็ทำเสร็จไปแล้วหนึ่งรางเลยมาทำมาอะไรอย่างนี้ มาทำอะไรมาสร้างอะไรอวดที่ธรรมชาติานี่วะวางดูเอาบ้างแล้ mm hmm. เวเยอะไหมงั้นเดี๋ยวจะสร้างอะไรอีกยุ่ ง, ง mm hmm. ที่ธรรมชาติมันเป็นธรรมชาติเองสร้างหาประโยชน์อะไรความแปลกประหลาดอัศจรรย์ไม่เห็นไม่ได้เกิดขึ้นเพราะการสร้างอย่างวัตถุอย่างนั้นน่ะ มันเกิดขึ้นการสร้างใจนิ้ต่างหากขุดลงไปมันอยากทำอะไรมันดิ้นหาอะไรดูมันดิ้ น, ดนตรงัดนรงดตรงนั้นนี่แล้วที่เลยทำหลายวิธีการก็เพราะยิ่งเลยมันหลายวิธีการคือมันแสดงตัวทรมากก็ต้องหลายวิธีการหลายอุบายไม่งั้นไม่ทันกัน เวลามันมันจุนจ่านเอาบางๆานี่แม่เลยไม่ทราบว่าใจคืออะไรความชิดคืออะไรนะมันเป็นอันเดียวกันหมดข้าวกันหมดเลยนี่เป็นมาพอแล้วนะไมนต้องไหหาอุบาธทรมานการอดข้าวละดีสำหรับผมเองนะมันคล้ายคมันก็จะค่าคลื่นกันนะ มันพอพอมองเห็นกันยิบยับยิบยบการอดอาหารนี่ละไม้ถึงขั้นเนี่ละขั้นมันจุนจ่า น, นี่ขั้นที่เศษจุนจาน่านเพรนพะังเนี่ยมันจริงๆเนาะมันเลยไม่ลืมอ่ะฟังในหัวใจ น, น้ําตาล่วงอย่นี้ผมเป็นนะเคียดแคนะ่นี่ยมันจนน้ําตาร่วงคือมันกําลังมันมากกว่าเรา เรามีแต่สู้เฉยจัดลาวุฒไม่ไม่มีไม่พอมันห ก, กับสู้เสือกับมปั้นนั่นเองอืมทิวังไงต้องต้องใช้อุบายวิธีการต่างๆและส่วนมากก็ไม่ไม่พ้นจากการอดอาหารเพราะอันนี้มันมันพอมองเห็นกนเน็นกันนี้นั่นหละเพราะมันเป็นเงื่อนอยู่มันต้องได้ทำเลย สุดท้ายก็ท้องเสียสงจนได้ทุกวันนี้อาศัยยาอะไรคุณทัฒณาพรนะดูเหมือนจะปกตินะแต่มันไม่ได้ปกตินั่นตอนฉันยาหมอเส็งหรืออะไรโรคหัวใจพุ่งลรงเริ่องออกมาเกือบจะเป็นจะไปนะ่ะนั่นได้ทักยานี้ไว้ก่อนฉันยานั้นไปพอยานั้นหมดอันนี้ก็แสดงคือพอเราจะเริ่มมาฉันยาท้องเนี่ย ท้องก็เริ่มแสดงขึ้นมาอ๋อมันไม่หายหนีมานั่ะมันสงบเฉยจานั้นมาฉันยาแล้วดื้อมาแต่นี้มันสงบนะมือนก็ไม่มีเลยึงนะท้องนี่นะฉันมาหลายปีแล้วยาพัะเ้าพ่อผ่จะเห็นว่ามันสงบลงสงลงถึงขนาดนั้นก็คือเอาอย่างอื่นมันไม่ทันมันอย่างนี้มันทันมาตัวของจะตาย มันหนมันต้งทันนะเวลามันกําลังมากนี่โอ้ตามไม่ทันจริงๆนะตามกี่เล่ในตัวงเรามีแต่ความวุ่นทั้งหมดไม่ทราบว่าจิตอยู่ตรงไหนมีแต่ความวุ่นความร้อนเป็นฟืนเป็นไฟอยู่ในหัวใจไม่มีอะไรมาใครมาทําก็ตามมันก็เป็นไฟของมันอยู่นั่นมันสร้างตัวของมันขึ้นมานั่นกีเลนะ่ล่ะให้เป็นฟืนไฟเผาหัวใจเรา มันก็เครียดแค้นน่อยสิมันพอพอมันได้ที่แล้วมันถึงเอากันหนักเพราะง้นมันทันเดียวกันนะมันพอกันมันเป็นที่พอใจเวลาพอมันทางนี้มีกําลังแล้วก็ฟาดกันลงแล้วโถ่ไม่มีไม่มีอ่อนข้อไม่ไม่มีให้อภัยเลยพูดถ้าเราจะเทียบนะเดี๋ยเอาให้มันแหลเลย ไม่งั้นผมจะขนาดถึงก้นพองเลยวะก็เพราะอันนี้เองเ <c oughs> พราะเครียดแคนนี่เวลวได้ที่แล้วนั่งอเป็นถามลุ่มหามคำแล้วจนก้นพองเลยไปหมดมาพิจารณาย้อนหลังย้อนหลังลโอโ้โหก้นมันก็สุดที่ใยของมันมันถึงหน้าพองมันถึงจะพองนั่งมันฟิตให้เกลื่อนเลยทําไง นั่งอยูเฉยมันพองได้ยังไงมันน้าแบบมันคงมันคงร้อนนะมันร้อนแต่แล้วมันก็เป็นไฟหมดทั้งตัวเนี่ยก็ไม่ทราบว่าตรงไหนร้อนตรงไหนไม่ร้อนแล้วเวลาสู้กันเหงื่อนี่มันมันไม่ใช่เหงื่อมันอะไรเขาเรียกาอะไรภาษาภาษาอีสานเขาเรียกว่ายานตายภาษาภาษอีสานก็ว่ายานตายมันออกนึกไม่ผ้านี่เกียกหมด เปียกจริงๆนี่นะไม่ใช่เปียกธรรมดานะเปียกเหมือนเราซักเลยถ้าวันไหนได้ขนาดได้ลงตลอดลุ่งแล้วเป็นอย่างนั้นทั้งนั้นทั้งทั้งที่ฝนพรมอยู่ทั้งคืนมันก็สะดวกสบายนาแต่แล้วมันก็ไม่พ้นที่ไอ้เหงื่อหรืออย่างตายมันจะทะลักออกมาเพราะมันสุดมันมันหนักมากขนาดนั้นนะย หนักจริงจริงนะการฆ่ากิเลสปีนั่นแหละ mm hmm. เคยได้พูดให้หมูเพื่อนทำให้มึงคือมันพร้อมกันกับทั้งกายทั้งใจหนักพอๆอ mm hmm. กันเพราะใจเราพอได้ที่ที่กิเลสมันเหยียบเอามากี่ปีเสื่อมแล้วไม่เจริญพราอมันเจริญขึ้นมาแล้วฟาดกันใ่ญ่เลย mm hmm. นั่นนันก็พอๆกันอ mm hmm. ทนมานใจทางด้านจิตใจ ร่างกายเอาจนไปทั้งข้ น, นคนองอันนี้จะทอดต่อจากนั้นไปเมื่อกี่เมื่อก้าวถึงขั้นปัญญาแล้วที่นี่มันเป็นหนักทางปัญญาทางทางใจนะร่างกายไม่ว่าเท่าไหร่แตะใจนี่มันหมุนไม่หยุดเลยที่นี่เติ้ยวเตี้วเตี้วดินก็ไม่ไม่เคยกํหยาหนดด้วยร่ำเวลาเลยมันเป็นของมันเองนะก็จะให้จะไปกำหนดอยู่ไหเหมือนทางน้องมัวเข้าวงในกัน มันจะไปกำหนดไปร่ำเวลาอะไรอะไรกับแยกออกไปจากข์นั่นได้ไงตายนี่นี่เหมือนกันมันเข้าวงในอยู่ตลอดนี่เดี๋ไปกำหนดไปร่ำเวลาเช้าสายบ่ายเย็นยังไงติ่มติ่มติ่มต้องทำให้ชิดเหมือนกันนะมันจะเป็นอย่างนี้ไปทุกรายไม่น่าทำให้ชิด แต่เรื่องเป็นนันเป็นความมากความน้อยนั่นผมคิดว่าจะต่างกันคือความหมุนมากน้อยอ่ะดุลแรงไม่ดุลแรงผาดผลไม่ผาดผลมนคิดว่ามันต้องต่างกันแต่เรื่องเป็นนี่เป็นแน่คำว่าภาวนาไม่ปัญญาเพราะเป็นเป็นประเภทที่ที่ข้ากิเลสโดยตรงไม่มีคำว่าอ้อมปัญญาประเภทนี้กรุงแนวตกกิเลสเลย มีเท่าไรเท่าไรเป็นทังด้วยปัญญาประเภทนี้อันนี้เราเชื่อเป็นแต่เพียงว่าความผากผลโจนทะยานนี้อาจจะมีต่างกันนั่นหละผมนี่ผมพูดจริงๆครับผมมั น, ม, นมัน ผ, าผ่าผลจริงๆถ <c oughs> ึงขนาดที่ว่าอยู่ก็หมู่ขึ้นมาได้ฟังสิอยู่ไม่ได้จริงๆต้องหลบปลีกไปอยู่คนเดียวฟัดมีทั้งวันทั้งคืนหนึ่ใครก็ามาเกี่ยวข้องไม่ได้นะ เหมือนกับว่ามันจะขาดงานเนี่ยก็กำลังต่อยกันอยู่นี่เขามายุ่งอะไรกรรมการจะมายุ่งพูดง่ายนะก็กาลังต่อยกันอยู่นี่กรรมการมายุ่งทำไมกรรมการห้ามมวยนะมันเป็นอย่างนั้นลักษณะอย่างนั้นอยู่ไหนมันอยู่ไม่ได้ในระยะนั้นอยู่ไม่ได้จริงๆต้องได้ลบเลยอยู่คนเดียวนะ้องบันซู้กันอยู่ตลอดนี่นะมันแปลก่ง างคืนก็บางคืนก็ตลอดลุ่มอร่อยมันไม่หลับนอนลงไปนี่ ง, งานมันไม่ถอยสู้ันอยู่นอนมันก็ฟัดกันอยู่เวลานอนปัญญาสักเีนเหลพันกันแล้วสุดท้ายก็คือมานั่งเอียอนั่งมันก็ฟัดกันนั่นเอาลงเดิยนยุ่งลงลงกัน <c oughs> <c oughs> กันแล้วมันก็สว่างโลเฮ้ยเฉยบางวันนะบางคืน กลางวันมันยังจะไม่นอนอีกนู่น่ะมันจะตายนี่นั่นแหะที่ว่ามันมันอ่อนเปียกเต็มทีแล้วมาบังคับเข้าให้พักในสมาธิตอนนั่นก็เหมือนว่าสมาธิไม่มีเลยสมาธิไม่ทราบว่าหายไปไหนมีเต็ฟุ้งฟุ้งอยู่ทั้งด้วยปัญญานุนแต่มันที่ว่ามันหายมันมันไม่เป็นเหมือนไม่มีสมาธินะคําว่าคําว่ามันหายจากนี้มันก็ไป พุ่งอยู่ทางปัญญาท่านถึงว่าอุทจเาอุทจารฉาคือมันพุ่งพุ่งพุ่งอยู่นอกกับการต่อสู้ใช่ไหมมันคําว่าสมาธินี้ไม่มีเรามันเหมือนว่าไม่มีผู้หนงานนะมันมันคําว่าสมาธินี้ไม่มีเรามันเหมือนว่าไม่มีผู้หนงงานนะมันมันทุ่มกันนอกหมดใช่ไห อ, อันนั้นก็บับงคับเข้ามาไม่ลืมนะ เอาจงกระทั้งได้ได้เอาพุโทโธเป็นคำบริกรรมนะคือบังคับไว้ไม่งั้นมันจะออกต่อสู้งานต่อสู้ข้าสึกพูดง่ายยังไม่เสร็จพักก่อนมันจะตายแล้วเนี่ยพูดง่ายวางงั้นนะอืเอามาแล้วก็เอาคำบริกรรมอัดเข้าไปให้มันบริกรรมไว้ไม่ลืมนะผมเอาพุโทโธพุโทโธถีบไม่งั้นมันจะออกไม่ใช่ออกไปไหนนะมันจะออกนี่ออกอต่อสู้กันนี่ เหมือนกับว่าคู่ต่อสู้มันยืนคอยอยู่นั่นจ้าอยู่นั่นไม่กล้าจะเที่ยงนะเอาลงไปมุดลงไปบงังคับไปแต่บงังคับมันมันมันไม่เหมือนกับจิตที่ไม่มีสมาธิมันฟุ้งมันฟุ้งไปพะปัญญาต่างหากทีนี้พอ บ, บงังคับประมาณเขาเขามาถึงนันกลึกมันก็เงียบเลยแน่วไปโอ้ยแน่วเหมือนกับถอดเทียงถอดน้ํานะความทุกข์ความลําบากอ่อนแอเมื่อยห้าทั้งหลายเนี่ย มันมันเหมือนกับเราชุบใหม่น่ะพอเขาพักในสมาธิมันสบายมีกําลังบางชากัะพี่กระเปล่าขึ้นมาในเวลานั้นพอถอนมาถอนไม่ยากแล้วก็เรื่องถอนก็มันจะถอนอยู่แล้วนี่พอพอเราปล่อยผ้าผึ่งเลยเถอะแต่ที่นี้มันมันต่างกันตรงที่ว่าคนคนนี้แหละไม้ท่อนนั้นแหละมีดเล่มนี้แหละอะฟันลงไปที่ตขาวนี่ยขาดตะบันไปเลยนะไม่เหมือน แต่ก่อนที่ยังที่ไม่ได้พักอั น, นั้นไม่ทราบเอาทางสันลงเอาทางข้างลงเอาทางไหนลงทางพักกันอยู่นะแต่คราวนี้มันมันเอาคมลงเนี่ยนี่แหละท่านว่าให้พักสมาธิซะก่อนแล้วค่อยออกไปท่านเอาอย่างนี้นเป็นมนระพุทเจ้าท่านรับสัง่งไว้ตรงไหนทรงไหนตรงไหแตห่กินมันเพลินเกินไปนี่มันจึงไม่มาจดจ่อตรงที่ว่านจนจะตายจริงจมันถึงได้ย้อนมานี่ก็พูดถึงเรื่องความผ่าผล น, นี่ มันจริงๆนะผมนะผลจริงๆคุณทำให้คิดถึงเรื่องลายอื่นๆคล้ายๆต่อใครจะตามไปมจะเป็นอย่างนี้เหมือนกันทุกหลายไหมนะไม่ใช่เสียงรถมาเลยนะท่านไหนฮะเสียงอะไรเสียงอะไร โอ้ลงมันเลยแล้วทีนี้สุทากัะลงความเห็นแต่ว่าไม่เหมือนกันแต่เรื่องแต่เรื่องออกทํางานนี้ออกจริงไม่สงสัยอันนี้ผมไม่สงสัยเพราะมันแน่ว่าปัญญาประเทศนี้เท่านั้นค่าเด็ดแน่เมื่อมันนี้ไม่ออกค่าได้ไงป็นปัญญาเระเทนี้เป็นปัญญาที่เด็ดที่เขียบขัด ถึงไม่ผลก็เก่ยบขาดอยู่ตามธรรมชาตของตัวเองนั่นคุณง่ายๆอันที่จรงว่าจะจะไม่เหมือนกันสำหรับสหรับเราเป็นนิสัยผ่านผลผลจริงๆ ทำวิสยัยท่านพูดผู้ไม่ผ่าผล่านี้เท่านีก็มีวิสัยเดี่ยวของท่านท่านก็นจะไปเดี่ยวขอัทนแต่แต่ไปแบบปัญญาประเภทนี้นะถึง<ม>ท่านมาสแสดงความผ่าผลตั้นครับแสดงปัญญาประเภทนี้นะคุณยังไงหรือเราจะเทียบกว็ได้นี่มีดเด่ยนี้เป็นมีดที่คมกล้าพูด ง, ง่ายถึงท่านไม่ฟันโป๊กๆอย่างนี้ก็าตามแต่ท่านก็จะหันปุ๊บปุขาดสะ บ, บัน้นส บ, บั้นไปอย่างนี้ อย่างนี้อย่างนี้ไม่ได้ยินเสียงแต่ว่าหันอย่างขาดสะ บ, บั้นสะ บ, บั้นไปหันอย่างแรงด้วยแล้วมีดนี้คมด้วยขาดสะ บ, บั้นไปมันไม่ได้ช้าแต่แบบโป๊ะโป๊ะแบบฟันลงไปอันนี้มันแบบผ่าผลเหมือนกขาฟัฟปเปนเหมือนฟันเป็นนักหนั่นไป็ไงไปนู่นนะเอะไม่ใช่รถใหม่เหรอพรนี้มันหูดีเลยนะ พ่อแม่กูจามันมามันตังกตั้งกลางบ้านกลางคืนปัญญาม่หมุนตรวจกับเหตุการณ์ทั้งหลายเป็นว่าแต่เพิ่นไ่อธิบายตั้งยันละออนหนาหนาแล้วล่ะหากมันอานมันเรื่องปัญญาอันี้เพิ modern modern ่นอธิบายเพราะตังถึตั้งกลาคืนบพรปัญญาประเภทนี้มีอย่างสิ่ฟังได้ปัญญาประเภทนี้มันมันเป็นเองนี่มัน กับเหตุการณ์ต่างๆนี้มันหมุนรับกันมีปปอบบปออบยู่นั่นแหะนั่นแหละที่ว่าทังทั้งรเทศอยู่ทั้งกลางวันงคืนไม่มีเวลาหยุดยั้งเลยทันว่านั่นที่ท่านกราบยันท่านมหาทีลนประเทศทั้งกลางวันคืนไม่มีเวลาหยุดยั้งเลยน่ะก็เป็นปัญญาเพี้นนี่อย่าหอือนมันไม่ทันเคยกลงทั้งวันทั้งคนไม่ทันอันนี้มันทัน เวลาท่านเทศก็ก็บอกวินิลักษณะท่านเทศอ่ะเข้มข้นมากเลยนะผึ่งผึ่งผึ่งนี่ยบอกบอกว่าปัญญาท่านกับผลไม่น้อยเหมือนกันเนี่คือมั น, ม, นมันบอกในกิริยาท่าทางที่แสดงออกมันเป็นความขาดผลไม่ใเฉลิมเวลาท่านแสดงธรรม ทีแรกก็ก็เหมือนกับรถเริ่มออกนั่นแหละค่อยเอื่อยเอื่อยเอืยเสียงก็เบาๆาก่อนทีน่แรกแล้วค่อยขยับขึ้นขยับขึ้นนพอได้จังหวะแล้วทีนี้เหยียบร้อยามสิบร้อยสิบไปเลยถ้าเป็นรถกรดีนะผึ่งผึ่งผึงอะไรนี่ยิ่งทำารละเอียดเท่าไรยิ่งโหเสียงนี่เลยผมว่าได้ยินทีเดียวละที่ประตูวัดนอกจากจะไม่ได้ทอดได้ความพอา แ, แต่เสียงต้องได้ยินชัดเจนหมุนติว เสียงท่านกลางวานด้วยนะอืมต้องต้องเอาคือมันไม่ถึงใจท่นานพระอาจารย์โลกเราเรียกว่ามันโมโหมันไม่ถึงใจนะนี่เห็น น, นี่นนตาบอดด้วยอย่างว่างัก็ฟังท่านว่าท่านเพ่งอะไรผมยังไม่เห็นดืทน ม, มท่านเพ่งคงไม่ลืมตอนนั้นเพงเป็นเนนเพงวัดทรรเพ่งเทศอย่างแต็มเหนียวจบลงมาแล้วเปเวน็นยังไงอับเพ่งเขาใจ้มาตราที่เท่นี่ยท่านนั่งนิ่งท่านพูดอย่างนี้ล่ะคืงคังนี่แหะ พอจบพอเท่งมาแล้วไปไ เ, เป็นไงเพ่งน่ะนนเพ่งเข้าใจไหมที่เท็เนี้ยสุนัามันท่านนั่งก็นิ่งสินธรรมดาแล้วน้องแมนบอกใครเดี๋ยวจะไปตอ่อมาลดยบัวเว้ยมันจะก็จะถือสันผ้าปุ่นานันยังเท่จนี้ยัง่เข้าใจยุกก็ไม่น่าไปทานก็เอามือจี้กัาไปไน้ถวานสิแล้วมาดมดูสิมันไปยังไง นั่นท่านเอาถึงฐานได้ดีนั่นนะมันเป็นไงมันยังไม่เห็นอยู่หรือมันยังยังเรียนอยู่หรือขนาดนั้นเอาล่าม ด, ดิผมดัดเอาผมผมไ่ลืมนี่นอต่พูดถึงหนึ่งอริยภาพเปนกฏเทศเพรแพห้งเท่าไรก่านั่นนะท่านในวางอธิยภาพวงความปฏิสุขอันยังบอกให้เราอันสุดายแ่ฐานกขเมื่อกี้เขาไปทีเอามาดมสล อไม่ลืมนี anyone s, anyone s so, ่ผมก็ได้อเอาถึงฐานแต่นั้นนะคือว่าย mm ้อนลงมาหย้อนห้อนั่นมันก็มันก็เอื Leah ้อม่ถึงเอื้อม่ถึงย้อนลงมาแต่นั้นเอื้อม่ถึงจนว่าึกลงไปพูยังไงวางนี่แหะความหมายว่าอ้าววางงั้นลงถึงบอกว่าลงถึงฐานพูดยังไงมาหืมมาดมที่พอ่ะนี่เหมือนว่าวางลงถึงพื้นกึกเลยย้อนลงย้อนลง่นียังเอื้อม่ถึงย้อนลงนเอื้อม่ถึงเทศขนาดไหนมันยังบ่ถึงใจิตเหลนูดยังไง เดินรองกึกผนี่ลักษณะของท่านเป็นลักษณะที่ผ่าผลไม่สงสัยผมปัญญาของท่านจะผ่าผลรวดเร็วมากทีเดียวฟังท่านเทบนี่โอ้คิดดูยี่กระโถนนี่วางแต่ท่านเทศมือท่านท่านเป็นตามนิสัยของท่านนะเวลาท่านเอาจริงๆนี่เหมือนเนาะมือขอานก็หมูนไปด้วยนะท่านมาอยู่เฉยมือท่านหมุน แล้วโขนนี่วาอยู่ข้างหน้าท่านเนี่ยมันตอนอย่างนั้นมือโดนกระถนนี่ติ่งตกไป น, น, นู่นคือมันเป็นพักหนึ่งท่านอยู่พังบนนี่แล้วพกพระทางหลายฟังอยู่พัข้างล่างนมือท่านโดนอย่างแ้วเนี่ยปั้งอันนี้มันก็ปิ่งตกแปกลงไป น, น, นู่นท่านก็หยุดพรก็เก็บกระถนขึ้นมากระถนท่านเน่ยระวังเอาดึงกระถน ตกใช่มมันเป็นว่าแล้วเป็นไงกิเลสตกบ้างไหเนี่ท่านแก่ปั๊บออกมาเนี่ยเออเป็นไงกิเลสตกบ้างไหมนี่ท่านมันคืออะไรมันก็ไม่ไม่ถึงใจท่านก็ทั้งรู้จริงๆรู้เต็มหัวใจนี่ท่านพูดออกมาด้วยกําลังเมตตาจริงๆรเต็มหัวใจอยากให้รู้อยากให้เห็นธรรมาชาติขท่านที่รู้ที่เห็นหนัะเอาออกมาแสดงหนาหนักถึงขึ้นทั้งมือทั้งอะไรทั้งมัดทั้งมือฟังเสียงนึกโอยเป็นฟืนเป็นไฟเลยเสียงท่าน ความอันนี้คือว่าอยากให้รู้อยากให้เห็นมันเป็นพลังของธรรมออกมาอย่างหมุนติ๋วติวพลังของธรรมโดนมือจะโดนผลปิ่งตกนะเนี่ยแสดงถึงนองความผาดผลน้องปัญญาเปของนิสัยท่านจะผ่าผลอยู่ไม่นอนเหมือนกัน มือถึงปัญญาขั้นนี้แล้วจะเป็นอย่างนั้นจะพัดผลมากทีเดียวการแสดงธรรมท่านฉลาดแหลมคมเล่นเมื่อไหร่นั่นอันหนึ่งบอกให้เห็นด้วยนะเป็นมาจากนิสัยอันนั้นอนนันบอกอยู่ในตัวนั่นแหละบอกออกมาเห็นว่าท่านไม่บอกก็ตามแต่มันก็การแสดงมาเนี่ยมันเป็นการบอกในตัวในตัว ขึนไปทั้งไปอย่างเงี่ยของท่านนะขึ้นไปเราได้เห็นถนัดชัดเจนเพราะตาไม่เหมือนกับตาไม่กับพริบนี่เมื่อวลาสุดท้ายที่ท่านจะจากไปสำคัญที่ไอ้ลมหายใจนี่ค่อยจางลงจางลงจางลงแผง่เบาแล้วหายเงียบไปเลยนะีมันอัศาจรรย์นะธรรมดาของคนทั้งหลายที่เวาลาสุดท้ายที่ระหว่างจิตกำขันจ ะ, จะแยกกันนี่ มันจะกับกิริยาของร่างกายจะมีแสดงอะไรให้เห็นนิดๆเช่นสะดุ้งบั่งหรืออะไรให้เห็นนะของท่านไม่มีเลย น, นานผิดสังเกตแล้วก็ท่านจะคูณท่างเลยมีไม่ใช่ท่านสิ้นแล้วหรือะเพราะว่า ง, งั้นกันาฬิกามาดูเท่านั้นเอนเราถึงได้ว่าเวลาเท่านั้นตามที่เอามาดูาเฉยๆไม่ได้รู้เวลาท่านท่านสิ้นอีกกินนะว่า สิ้นขนาดใดนะความละเอยียดของท่านเป็นอย่างนั้นอ๋อเหมือนฟ้าดินตลมนะผมตอนท่านมรภาพจากไปนะั้นไม่เ<อ>หมือนฟ้าเพราะจิตขงผมอยู่กับท่านอย่างเดียวตอนนั้นไม่มันเหมือนอันหนึ่งเป็นอะไรพูดไม่ถูกนะเวลานั้นเ ก, ก็เรากําลังเข้าได้เข้าเข็มจิตของเราทั้งวันทั้งคืนไม่มีเวลาอยู่ยั้งเลยหมนี่ติวติวอยู่ในน ก็จิตก็มีอยู่กับท่านเท่านั้นใครใครมาพูดถามธรรมะ ก, กับใครเมื่อใครจะมาตอบผิดนึงนิดนึงไม่ได้มันเหมือนกับว่าช้างประจําควานเท่านั้นอืถ้าสอนไม่ถูกแล้วนอกจากไม่ได้ผลประโยชน์แล้ว ย, ยังงัจะดูถูกผู้มาสอนอีกหนึความรู้ขนาดนี้ยังมาสอนเราได้มันจะไปอย่างนั้นนะคือมันมันลงช่องมันยิงกินทําทําทําไมารุ่จริงจะจะสอนไม่ถูกนี่ธรรมะประจํา เดี๋ยวเดี๋ยวช่างประจำกควานเป็น่นั้นคือธรรมะนี่ละเอียดเท่าไรมันยิ่งลงจุดเฉพาะเฉพาะ <c oughs> เหมือนกับโดยบินนี่มานั้นกกมาเถอะ <c oughs> แล้วเวลาจะลงสนามแล้วหัวต้องจ่อให้ลงแนวกับนั่นเลยทาาไม่ได้นี่อ่าสำคัญจ่อลงโดวบินหจ่อลงหัวสนามให้ลงแนวกับสายทางการบินสนามเลย นิดหนึ่งมาได้พังเลยเจ็นี่ก็เหมือนกันอีดในเวลาเข้าถึงเข้าขั้นละเอียดเข้าได้เขาเข็มแล้วมันมันจะเป็นจุดอย่างนี้สอนนัสอนพิษนิดหนึน่งมาได้มันสอนให้เห็นภูมิของผู้มาสอนนี่ต้องเป็นผู้รู้เท่านั้นคือต้องเป็นผู้ผ่านไปแล้วเท่านั้นจะมาสอนได้ในนี่ว่างั้นเลยถ้าถ้าไม่ผ่านไปแล้วจะสอนไม่ถูกเพราะธรรมชาติอันนี้จะไปหาที่ไหนไม่เจอ แต่จะเจอในผู้ปฏิบัติที่รู้ไปแล้วรู้ไปแล้วเท่านั้นมาบอกมาสอนนี่สําคัญอย่างนี้จะ่านไงอีกละ่ะทํางานทัานเขียนได้ไหมนักปฏิเสธได้ไหมว่าไม่เป็นในหัวใจของพระผู้ปฏิบัติซึ่งผ่านทำมาประเภทนี้ไปแล้วนี่สําคัญอ่ ะ, อะเราจินเราอยู่กับท่านอย่างอย่านั้น หมุนไปไหนมันก็ไม่รับใครเลยมันไม่ทราบเป็นยังไงจิ๋มอยูก็ท่านหมดเพราะเพราะองไรเพราะเราเคยนี่เพราะมันเป็นอะไรขึ้นมาตกระดียมท่านเล่าถวายท่านท่านใส่เปียมเรือเท่านั้นล่ะพังเลยพังเลยนั่นเพราะท่านรู้ก่อนแล้วรู้ก่อนนั่นเป็นมันเป็นเป็นแบบที่ว่าจาะลงหัวสนามเลยจ่อลงสนามอืท่าไม่ได้แล้วท่านสอนาเหมือนกับฮอรมังคับอากาศนึมือนไข่พุ่งลงไปให้กงนี้นะ นั่นพูดง่ายว่าไงมันก็ลงผึ่งเลยเดี๋ยบินอันนี้ก็มันกันเพราะเรื่องราวมันเป็นยังไงพอกราบเยี่ยนท่านเท่านั้นพอเล่าถวายท่านานี้กราบเยี่ยนเท่านั้นท่านใส่ามาทางเดียวท่าน น, น, นไม่ได้มากอะไรเลยนะทางนี้ขาดจะบั้นไปแล้วเนีย่ยนั่นคือยอมรับแล้วเห็นทางเดินเหมือนว่าปเปิดกว้าองออกมาเนี่ยนั่นะนี่หลาพูดทีลูกแล้วมาสอนน้ำมันต่างกันอย่างนี้หนาอืม และท่านก็พูดเสมอเวลาวันอุโบสถท่าพระที่มาจากที่ต่างๆอยู่ตามแถวแถวรอบรอบสองกิโลสามสามกิโลสี่กิโลห้า ก, กิโลหกิโลมาทั้งนั้นแหล ะ, ะอย่างนี้แต่ผมอยู่ไปอยู่ต่างบ้านคุณหงคุณไห่เนี่นอย่ต่างบ้านนิ้วทางบ้านนุ่นไม่ได้มาตั้งแต่อยู่บ้านค้อนมะันไกลหน่อยพราะอยู่บนเขาหน่อยั้นอย่างคุณไห่เห่านี้ยมาวันอุโบสถ นี่ก็ามากพี่พาตั้งหกสิบกว่านอะท่านเคยพูดเสมอผมไม่ได้ลืมนะใครจะเล่งให้เล่งนะการแก้กจิตใจนี่เป็นของแก้ยากนะท่านว่าถ้าไม่รู้แก้ไม่ได้นาะนั่นฟังสินี่เวลานี้พี่สุธาท่านบอกพี่สุธาหรท่านเป็นพู ด, ดปิดปากท่านไม่พูดถ่อมตนอะไรก็แล้วแต่เธอบอกว่านี่พี่สุเ่ากําลังอยู่อ้าไปเป็นมายัางไงอ่ะเราจะแก่นะท่านวางเนี่ยแล้วอ่าแล้วนี่มันยากพูดจะแก้นะเดี๋ยวนี้มันเท่าไหร่อายุ ต้อมานับนี่ให้ดูนี่เวลานี้เท่านั้นแล้วถ้ากันนับไปเนี่ยนับไปนับไปถึงแปดสิบนี่ไม่เลยแปดสิบนะอย่าว้าไม่บอกโู้ขนาดนั้นนะแน่ไหมท่านอาจารย์มัน่นใครก็เห็นกันทั้งวงสังคมมรทุนนั่นเห็นกันอยู่หมดนี่ท่านนับข้อมูล น, นี่เวลานี้เท่านั้นนะอายุนี่ท่านท่านพูดอย่างนี้ก็เพื่อจะให้พระสงานาไม่นอนใจอืมไม่นานนะ ก็นับเวลานี้อายุเท่านั้นนะครับจากนั้นท้านก็นับต่อไปต่อไ ป, ไปพอถึงแปดปีตกท่านนมันมากไหมดูสิ น, นี่ไม่เลยนะว่ะนั่นตั้งทีพอถึงนั้นปั๊บท่านป่วยปีนั้นนี่มันมมเหมือนกับว่ามันมันเข้ากันได้ปุ๊บเลยทันทีนีนั่นผมไปอยู่ทั้งอำเภอวารีจภูมินั่นผมอยู่คนเดียวผมในหนัง ก, กรดี นานเขาได้กล่าวเยือนท่านเวลาจะไปก็คราวนี้จะไม่ได้มาลงบู ร, ร่วมแล้วเพราะากล่าวว่าจะไปไกลหน่อยไปทางไหนท่านบอกที่ว่าจะไปทางอำเภอวัดดจฉพูมเออไปที่ไ้นสะดวกสบาเอาเลยนะนี่วะอย่างนั้ทนทางผู้กับผมเอาเลยนะนยเพราะท่านนู้นนิสัยนิสัยมันเหมือนบ้าเราคำว่าเอาเอาจริงว่ากัดกัดจริงท่านก็รุนนิสัยอยู่แล้ว แล้วนอกอนั้นท่านกขู่พระนี่ใครจะไปยุ่งท่านนะทำหาันยไป อ, องค์เดียวนะใครจะไปยุ่มก็มีร่มผู่ร่มใสใหญ่อยู่นั้นแล้วนี่นะท่านท่านสั่งอีก ด, ด้วยใครจะไปยุ่งท่านนะทำหายไป อ, องค์เดียวท่านนี้ oh. ทีนี้เราก็นานก็จะได้มาหาท่านนะอันนี้ก็มูเพื่อนเราผมฟังแต่เป็นความแน่ร้อย็ไม่สงสัย oh. ทั้งๆั้งที่ ก่อนคือผมไปนะัไปก่อนมาข้าบูชานะ่ยคือว่ามาค้าบูชาคราวนี้จะไม่ได้มาร่วมผมก็บกาบเดือนอย่างนั้นนะเพราะไปมันก็ไม่ลืมค่าไมา่ซึมก็คือเดือนสามพื้นสามค่ำนี่ผมบอกไปแล้วเดือนสามเพนก็เป็นมาข้าบูชาก็กาบเดือนท่านอาจําไม่ได้มามาข้าบูชาด้วยไม่ได้มาร่วมเลยไปคราวนี้จะไปไกลหน่อยอ่ะอ่ะไปเอาเลยนะ่ะมะอีนี้ก็ดวกเอาเ่ยนะ ทีนี่พอถึงวันมาข้าบูชานั้นมักแปดกอยู่นะพระนั้นเล่าองค์ไหนเล่าเล่าแบบเดียวกันนี่สิจะไม่กินกันได้งไงพอประมาณสักบ่บายโมงกว่าท่านก็ลุกออกมาจากอุตแล้วกะทธรรมหามาแล้วยังวะนี่มีแปดอยู่ตรงนี้นะนไม่เห็นนะไหนนะ่ังไงนะวะแล้วพอตกบ่า ย, ายมาอีกธรรมหายังไม่มาเหรอ จนกระทั่งค่ำถึงเวลาที่จะเทศนะทาะเทศวันนั้นท่านเทศใหญ่นะผมก็ไม่ลืมเลยพระเล่าให้ฟังแหม่ที่สี่ชั่วโมงว่างันนะค่านท่านจะก่อนท่า น, นก็ไม่ได้ื่อขนาดนั้นสองชั่วโมงท่านหยู่แต่วันนั้นเทศถึงสี่ชั่วโมงวันมาคาบูชาถึงเวลาที่จะมาคาบูช า, ท, า, ท, าท่านยังพูดอีกนี่ท่านยังไม่มาเลยนี่ใครกันนาะนี่ใครกันนาเหมือนกับตาท่านมอง นี่ก็หมายความว่ท่านจะเทศเหมือนฟ้าดินถล่มนั่น่หละอยากให้เราได้ยินในฟังความหมายว่าอย่างนั้นไม่ใช่หมายอย่างอื่นนะแต่ท่านมีอะไรใจคันเลยนี่เทศกเต็มเหนียวแล้วพอเทศจบลแล้วลงแล้วเทศซ้ําเท่าเราต่อไปนี้จะไม่ได้เทศอีกนี่คือเหมือนกันที่ท่านพูดอยู่ที่เชียงใหม่นะท่านเทศอยู่วัดเจดีย์หลวงเชียงใหม่ก็เหมือนกันเนี่ผมนั่งอยู่นั้นเนี่ยออฟังท่านนี่จดจ่ อ, อจนทุกกระเบียดเลยผมเพื่อนข้าเมื่อไหร พอผมดื่มใสท่านขนาดนั้งเอเวลาลงมาท่านเทศท่านเทศสามชั่วโมงนะพอลงมาละทํามากาบพระพอกาดพระเสร็จแล้วก็เนี่ยสมเด็จมหาวิรวงวัฒน์พระศิมาธาเนี่ยแต่ก่อนตอนนั้นท่านเป็นราชเกวีอยู่ฮะวันนี้ท่านอาจารย์เอาใหญ่นะแตงหวานนี่นะวันนี้ท่านอาจารย์เอาใหญ่นะหะานเออเทศซ้ําเท่าละพันหวานต่อไปจะไม่ได้มาเทศอีกนี่ผมก็ไม่ดื่มเเวลาท่านมาแล้วท่านไม่ได้เคยไปจึง คุณกลับคุณไปจังหม่อีกนี่นะไมไ่เทศอีกแต่คราวนี้ก็ท้าเล่าให้ฟังอีกแหละผมไม่ได้ยินอันนี้นี่เทศเ้ําเท่าหรือว่าเ น, นี่ยต่อไปจะไม่ได้เทศอีกแล้วตั้งแต่บัด น, นั้นท่านไม่เคยเทศอีกเลยนิ่นอ่ะฟังซิวิสาคาบูชาท่านก็ไม่ลงมางั้นแล้วที่นี่เวลามันกินมันเข้ากันได้เข้าตรงไหนกลับท่านมาแปดสิบพอผมมาถึง มันนั่นเดือนเดือนสี่ผมจำแนกแต่ขั้นขึ้นโรงแรมเดือนสี่แ ล, แลมค่ำหนึ่งผมมาท่านบอกว่าทําหาไปทําอะไรอยู่นี่วะท่านท่านเป็นนักหนักที่ผมเริ่มป่วยนะเริ่มป่วยมาตั้งแต่วันศืนนี้กันว่าวันศืนก็คือวันขึ้นที่สี่ค่ำหรือวั น, วนเป็นวันเพ็งหลัจากนั้นท่านก็ไขความมาอีกว่าวันขึ้นที่สี่ค่ำกันว่ามันนันก็ดิ้นแน่นไป มาจากนั้นแล้วท่านก็พูดอีกเลยว่าโรคอันนี้ไม่มียาอะไรหายสสยหายละ่ะนี่ละเป็นครั้งแรกกับครั้งสุดท้ายผมคือโรคอันนี้เองนั่นนะฟังซิเข้ากันได้ไหมครับงที่ว่าแปดสิบนั่นละท่านย่างเขาแปดสิบท่านบอกว่ามีทางหายโรคอันนี้จะเป็นไปนเรื่อยแต่ไม่ตายง่ายนะโรคอันนี้นะเขาเรียกว่าโรคคนแก่พยายามเอาอะไรมายุ่งนะ มันมีบางหายแล้วมีตาอย่างเดียวเท่านั้นนั่นแล้วก็เป็นไปนเรื่อยๆจนกระทั่งถึงวาระสุดท้ายจริงๆด้วยโรคอันนี้ไม่ผิดนี่นี่สําคัญอามากแล้ไม่เทิอีกเลยนะผมไม่เคยได้ยิน น, นั่นแต่การแก้ปัญหานั้นท่านแก้แก้ให้เพราะผมก็มีท่านองค์เดียวท่านั้นแต่เวลาผมจะกราบเรียนปัญหานี้ผมไม่มีใครนะผมต้องขึ้นเป็นคนเดียวผม แต่ท่านก็รู้สึกว่าท่านเมตตาเป็นพิเศษอยู่นะขึ้นเวลาไหนขึ้นได้ผมขึ้นหาท่านมันแปลกอยู่อันนี้ค่ะรู้สึกว่าท่านเมตต า, ามากทีเดียวพาขึ้นไปก็กราบเรียนเลยเพราะท่านก็รู้นี่ว่าเราขึ้นไปเพื่ออะไรท่านรู้แล้วนะหัวใจเรามันเต็มด้วยอะไรอขอภาวนาตลอดนี่มันแสดงนี้มาเรื่อยนี่เมื่อมีครูบาอาจารย์เนานะเราจะไปแก้ไปปลดด้วยลาพลังเราเองถ้ามันเสียเวลาวลาทําไม พอเป็นเล่าถวาย ท, ท่านเท่านั้นแท่งใส่เปี้ยงเดียวพุ่งขาดสะ บ, บัน้นไปหมดเลยนั่นเห็นไหมมันเร็วอย่างนั้นนะอ่ะอืกับผู้วารการผู้ขอยแนะนําให้ที่ท่านผ่านมาแล้วไปแล้วนี่นะมันเร็วอย่างนั้นอ่ะพอเราขึ้นไปก่าปัป๊บๆท่านอยู่องเดียวท่านขนะึ้นไนม่มีใครขึ้นผมขึ้นไปปุ๊บๆเลยส่วนมากไม่มีใครกล้าขึ้นนะนั่นแหละผมขึ้นเลยพราประกาศเรียนว่าท่านใส่เปี้ยงทางเลย นี่เวลาแก้ปัญหาท่านแก้แต่ท่านทเทศสอนพระธรรเนียอีกนั้นท่านไม่เอาเลยนะประช o n ประชุมอะไรนี่ท่านไม่เอาแล้ว น, ะ น, น, วนั่นทั้งน่นเดี๋ยวเห็นไหมล่ะผิดไหมที่ท่านว่าเทศซ้ําเท่าแต่ไม่ได้เทศอีกตั้งแต่บรรนั้นมาแล้วท่านไม่เอาเลยถามพระธรรมเนียรว่าเป็นยังไงตอนผมมาอยู่นะโอ้ท่านเทศเรื่อยๆแล้วก็อยู่ก็ท่านไปตลอดท่านมาณภาพท่านเทศที่ตรงไหนมันก็รู้หมดนีนั่นท่านพูดตรงไหนมันเพื่อนเมื่อไหร่ นี่เราจับไว้จับไว้ทุกอย่างแล้วเรื่องพ่อแม่ขรยันมันนี่ไม่แห่มันเหมือนกันกับเทพนะมันไม่ใช่ความจํามันเป็นความจิตมันฝังลึกมากมันไม่มีวันลืมมันไม่หายยาอะไรมาใส่มันลาคาญยาวมาน่ะเป็นไรมันไม่หาย นี่แหละที่ว่าต้นกับปลายมันโกงกันที่ท่านนับข้อมือนี่นี่เวลานี้อายุได้เท่านั้นนั่นแล้วถ้าเกิดนนับไปอย่างนี้พอไปถึงแปดสิบนี่เท่านั้นมันมันจะนานอะไรนี่ก็คือก็ท่านท่านเคยพูดนี่นะท่าพูดว่าอายุท่านท่านไม่ได้แปดสิบท่านบอกแล้วท่านบอกไว้เลยนี่เวลาท่านจะย่าต้องจําอย่างนั้น น, ะนั่นน ะ, ะมันนานที่ไหนถ้าใครจะตั้งใจตั้งใจนาะน เวลาที่สุดเท่าตายแล้วมันมีกูแก้ยากนะนี่เวลานี้เราก็ยังมีชีวิตอยู่นี่เอาเราจะแก้ทันหวังท่านพูดเพื่ ก, กันปลุกพระไม่นอนใจนั่นเองพูดถึงเรื่องอดเริ่มทำสมาธิปัญญาเนี่ยโอ้ไหลไปเลยนะท่านคล่องที่สุดเลยถึงขังตึงๆก็เลยแต่ถ้าพูดถึงเรื่องสมาธิเรื่องปัญญาเนีไ่ไม่ทราบเลย มันต้อเป็นขึ้นมาครึกคักเลยน่ะเปี่ยงเปี้ยงเปี่ยมเลยมันถึงใจท่าน <c oughs> นี่แหละอํานาจของธรรมพลังของธรรมขึ้นอย่างนี้แต่คนภายนอกมันหงุหว่วงกัตาบอดเขาไม่ได้เคยรู้นี่ว่าพลังของธรรมเป็นไงพลังกิเลสไปเลยเคยเห็นแต่กิเลสเหยียบหัวคน <c oughs> พอแสดงท่าทางมาอะไรที่เป็นความไม่พอใจมันเป็นเรื่องของกิเลสทั้งนั้ น, น <c oughs> ท่านสแสดงมาอย่างนั้นเป็นเรื่องของธรรมพร้อมทําไม่มีเครื่องมือเป็นของตัวนี่นะร่างกายเรานี้เป็นเครื่องมือของกิเลสนี่ กิเลสพายกิดใช่ไหมล่ะทำเมื่ถึงขั้นบริสุทธิ์แล้วไม่มีเครื่องมืออันบริสุทธิ์มาใช้สําหรับทําประเภทนั้นจึงต้องอาศัยร่างกายนี้ใช้เมื่อพลังของธรรมแสดงมาอะไรก็ต้องเอาก็สอถึงเรื่องกิยาการของร่างกายนี่ที mm ่ hmm. เขาก็ว่าทัานดุอืทันดุทันโกรธแล้วไปเชียรนั่นเห็นไหมนันไม่เคยเห็นเรื่องพลังของธรรมเป็นยังไงเห็นตั้งแต่เรื่องของกิเลสอํานาจของกิเลสอำนาจของธรรมเป็นยังไงไม่เคยเห็น เมื่อมันต่้มหัวใจแล้วมันก็รู้เองใครก็นีไม่บอกมันก็รู้นี่เอาละเลิกกันละนะเอาเด็บอันนี้เอาไปพอละ